พระธรรมเทศนาแผนที่109าลำดับที่4โดยหลวงพ่อยินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่1กรกฎาคม2560มีชื่อเรื่องว่าเตรียมตัวเราก่อนเข้าพรรษาอา้าวลูกหลานอยู่ในความสงบ มีอะไรหลวงพ่อจะพูดอะไรให้ลูกหลานฟังศรัทธา ญ, ญาติโยมฟังแต่ท่านโคศกที่พูดจบหลังลงสักครู่นี้เนะี่ยท่านก็เป็นประหลัดจังหวัดนะอนดีตประหลัดจังหวัดอุดรของเราเคยเป็นนายอำเภออยู่แถบแถบนี้แล้วก็เคยมาบวชที่วัดป่านาคำน้อยในพันสานะ เพราะนั้นท่านจึงรู้เรื่องวัดของเราดีทีเดียวเพราะนั้นเมื่อท่านได้พู ด, ดเร้กลเ่าวไปแล้วก็ให้พวกเราได้ฟังได้สังเกตเหมือนกันบางเสียงบางอย่างก็เป็นหน้าที่ของผู้ที่อยู่ใกล้ชิดอุบาสกอุบาสิกาจทหายาตโยมที่รู้จักมักคน้นรู้จักกฎกติการู้จักกฎขนบขนบธรรมเนียม ของวัดแต่ละวัดไม่เหมือนกันนะแต่ท่านก็ได้ชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังเป็นแนวความคิดตลอดถึงการใส่บาตรของพระในพนรรษาทำอย่างไรเวลาเราจะมาใส่บาตรพระท่านจะไม่รับอาหารอย่างวันนี้นะท่านจะมาใส่บาตรที่หน้าวัดแผงหน้าวัดมาก็ใส่บาตรพระสงฆ์การที่ใส่บาตรพระสงก์กนะพระสงฆ์ก็มาก โดยมากกั3สีสิบองค์เดือนเดินบินทบาทเราจะใส่ได้ขนาดไหนก็ได้เป็นไรเพราะอาหารมันมากอยู่แล้วองค์ที่ใส่ครบกว่ามีแต่อาหารในครัวนะหลวงพ่อเน้นว่าอาหารในครัวต้องใส่ให้ครบทุกองค์นอะหลวงพ่อก็บอกนะแต่ถึงยังไงไม่ต้องกัวอดหรอกถ้าอยู่ถ้าเราอยู่ในศีลในธรรมสอย่างเดียวตนนั้นนะไม่ต้องกัวอดนะพระธรรม ยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้อดอยากนะพระธรรมยอมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมไม่ให้ตกไปในที่ชั่วนะเราต้องเชื่อในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามศีลตามธรรมแล้วไปอยู่ที่ไหนไม่อดไม่อยากนะเว้นเสียแออกนอกลู่นอกทางนะออกนอกลู่นอกทา ง, นะออทางเดินแวกนแนว ของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แลนะอดอยากนะที่นี้นะ <c oughs> พอเราเดินออกนอกทางนะวันนี้เป็นวันที่หนึ่งกรกฎาคมพุทธศักราช2560ันหาอวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งดวงพ่อเห็นสถาญาตโยมลูกหลานมาพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างที่โคษกได้พูดว่าวันนี้เป็นวันบวชของพวกเราคือบวชประจาปี ในพรรษาก่อนเข้าพรรษาพวกเราก็ได้เตรียมการบวชแล้วก็ท่านพระอุปชาท่านก็มานู่นมาจากอำเภอภูเรือแต่ท่านก็เป็นเจ้าคณะอำเภออำเภอนายูงของเราเนี่แหละอย่างที่ท่านโฆศกได้พูดว่าขนาดโคศกบวชมายี่สิกว่าปีเนี่ยท่านก็ยังเป็นพระอุปชาโคศกอยู่นะแต่ได้มาเวลาเรามีงานบวชเราก็นิมนต์พระอุปชา ท่านมาบวชพอท่านมาทุกปีนี่ทบวชใหญ่นะถ้าบวชเล็กบวชน้อยก็อุปชาองค์อื่นนะถ้าบวชใหญ่เท่ากับนิมนต์ท่านมานั่งเป็นอุปชาให้พวกเราเพื่อเป็นสริริเป็นมงคลของลูกของหลาน น, ะนี่แหละเมื่อไม่ไมนานมานี้หลวงพ่อก็ไป่วัดของหลวงพ่อนะเมื่อวันที่ยนะี่สิบแปดยี่สิบเก้ายี่สิบแปดวันเกิดของท่านยนะี 29, ่สิบเก้านะยี่สิบเก้ามิทุนา เป็นวันเกิดหลวงปู่หลวงพ่อผู้อุปชาของเราท่านอายุเจ็ดสิบแล้วนะั้นลูกหลานนะท่านอายุเจ็ดสิบแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นพี่ท่านน้อยหนึ่งหลวงพ่อเกิดเดือนเมษ า, ท, าท่านเกิดเดือนมิถุนานะแต่อายุเจ็ดสิบปีเท่ากันนะ่ะแต่หลวงพ่อเนี่ยอย่างย่างเขาเจ็ดสิบสามแล้วแต่หลวงพ่อเฉลีกวเจ็ดสิบสามประมาณสองสามวันวนะ่ะแหละนี่แหละ ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งทั้งเป็นพวกครูทั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอจะได้มาบวชพระลูกพระหลานของพวกเราในวันนี้ถือว่าวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลยิ่งที่พวกเราได้บวชลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นทายาทของพระพุทธศาสนาอย่างที่ท่านที่โคสดได้พูดนั่นแหละเพราะนั้นให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะ พระเหมือนกันนะบวชเข้าบาลทักการกตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้เป็นพระที่ดีอยู่ในกรอบของศีลธรรมอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยพอหลวงพ่อเองก็อยู่ในหลักพระธรรมวินยัยเหมือนกันนะไม่ได้ออกนอกลูกนอกทางคืออยู่ในกฎหมายนะพูดง่ายๆพอเราก็มาบวชใน เ, เป็นสากยบุตรเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องอยู่ในกฎกติกาที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรในพระวินัยศีลและวินัย ผลนั้นเราต้องรักษาในเมื่อรักษาสินลิวิตในดีแล้วนะในการบวชของเราเราบวชเท่าไรกี่เดือนกี่ปีอะไรเราก่อนทำบุญจากนั้นก็อุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีอุปกรณคุณของเราคือพ่อแม่ปูย่ย่าตายายของพวกเราที่เราได้บําเพ็ญคุณงามความดีอันนี้คือเป็นการทําบุญความดีแล้วก็ เป็นการอุทิศส่วนกุศลต่อผู้มีอุปกระคุณสำหรับเราเพราะนั้นพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายของพวกเราเห็นลูกหลานใหญ่เข้ามาพอที่จะบวชได้ท่านกับท้าบทามท่านจะพูดตรงๆก็ไม่ได้กลัวลูกหลานไม่สบายใจกลัวจะไม่พอใจท่านก็พูดพาพูดพูดทามทามแต่ในใจของท่านอยากจะให้ลูกหลานบวชในพุทธศาสนาเพื่อเป็นการ เป็นตระกูลของเรานามส ก, กุลของเราเลือดเลือดเนื้อเสื้อไข่ของเราได้บวชในพระวิหาศาสนาเพื่อจะเป็นทายาทและก็พร้อมกันการอุทิศ ส, ส่วนกุศลต่อผู้มีอุ ป, ปกราระคุณคือปู่ย่าตายายพ่อแม่ของเรานี่ยนะ่ะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อบวชเข้ามาแล้วก็เป็นพระที่ดีนะลูกหลานทุกคนนอะนี่แหละวันนี้เมื่อเราฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พร พระโฉงกับพระสงฆ์กับฉันพระาหารจากนั้นพี่น้องประชาชนก็เลี้ยงอาหารกันพอเลี้ยงอาหารที่เสร็จเกือบร้อยเราก็เข้าไปข้างในนะไปซาลาข้างในแต่ซาลาข้างน อ, น, อนบวชไม่ได้นะเพราะว่าไม่มีหลักวิสุขามศีมานะแปลซาลาข้างใ น, ในแทนโบสถ์ในที่บวชหลังแหลมแหลมที่พวกเราเห็นอยู่ตามวัดต่างๆ แต่ของเราไม่มีโบสถ์อย่างนั้นแต่มีหลักวิสุงคามสี ม, มาสี่หลักปักเขตไว้คือได้รับพระราชทานก็คือมาจากในหลวงนั่นพระราชทานวิสุงคามสี ม, มาพวกเราก็เข้าไปบวช ท, ที่นั่นละวันนี้นะแต่ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเนะี่ยบวชทั้ง10บนาคอย่างที่ท่านโคศกได้พูดว่าบวช ท, ทีละสละ3ละสก็ต้องใช้เวลานา น, านอยู่แต่ถึงยังไงก็ ทางในครัวของเราก็ดูๆนะอาหารคงจะเดยเที่ยงเตรียมเ ต, ตรียมอาหารเลี้ยงพี่น้องลูกหลานด้วยเลี้ยงญาติของแขกนะเลี้ยงเลี้ยงญาติของนาคนะที่ทานอาหารคงจะเลยเที่ยงเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะเสียสละสักวันหนึ่งวันนี้เป็นวันบวชลูกบวชหลานของเราเป็นถือว่าเป็นวันมงคลมหามงคลสําหรับตระกูลของเราะอญาติพี่น้องของเราปูา่ย่าตายายของเรา แต่บางท่านบางคนก็ยังไม่เคยเห็นนะวิธีการบวชเขาท่านทำอย่างไรเนี่ยนะวันนี้จะได้ศึกษาจะได้เห็นจะได้รู้ว่าการบวชของพวกเราลูกหลานของพวกเราทาอย่างไร น, ะนี่นะขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านที่ทำนี่นะก็เสียเวลาเสียเสียสละเวลานะาก็คอยคอยดูเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลส่วนนี้อีกส่วนหนึ่งนะและก็พร้อมกันในพนรรษาที่จะถึง ออบางทีศรัทธาญาติโยมอาจจะยังไม่ได้ไม่มาไม่ได้มามาวันนี้แล้วก็คงจะไม่ได้มาอีกอจวนจะเข้าพรรษาเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อเห็นศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนรู้สึกวันหนานแน่นหลวงพ่อเองอยากจะฝากไว้กับคณะศรัทธาญาติโยมในพรรษาที่จะถึงนี้นะ่ะวันที่วันที่8นะวันนี้ก็เป็นวันที่หนะึ่งะวันที่8ออกรกฎาเนะี่ย เป็นวันอาสาฬหาบูชานะวันที่9เป็นวันเข้าพรรษาอธิษฐานพรรษาของพระสงฆนะ์นี่แหละในพรรษาที่พระสงฆ์จะเข้าพรรษาเนี่ยสำหรับศรัทธาญาติโยบนี่ทําอย่างไรจะทําตนอย่างไรที่จะเป็นบุญเป็นกุศลแต่เรื่องพระสงฆ์ไม่ว่ากันละพระสงฆ์มีกฎกติกากฎรมเนียมประเพณีอย่างไรนะแต่หลวงพ่ออยากจะเตือนกล่าวสําหรับพุทธบริษัท อย่างอุบาสกอุบาสิกาที่อยู่ภายนอกเนี่ยควรปฏิบัติตนอย่างไรในพรรษาไม่ใช่ว่าพรรษาหนึ่งผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปพวกเราอายุเท่าไหร่เดียวนี้่พวกเรารู้แก่ใจว่าอย่างหลวงพ่ออินก็รู้ว่าหลวงพ่ออินอายุเจ็ดิบสามปีนะอย่างนี้แหละแต่พวกเราะ่ะอายุเท่าไหร่แต่ละคนน่ยมากน้อยต่างกั น, นแต่มันผ่านมาแล้วเราได้ทาอะไรบ้างเป็นเครื่องเป็นเครื่องอุ่นใจ เป็นเครื่องสร้างบุญสร้างกุศลเป็นทำให้จิตใจของเรามีเป็นที่พึ่งทางด้าน จ, จิตใจมีอะไรบ้างเป็นที่อบอุ่นมีไหมถ้ายังไม่มีนะเราควรจะคิดแล้วนะเราควรจะคิดแล้วในพรรษาเนี่ยที่จะถึงเนี่ยปี2560้าสบเนี่ยข้าพระเจ้าจะไหวพระทุกวันไออธิษฐานในจิตเลยนี่อยา่างวันนี้นะ อธิษฐานต่อหน้าพระอุรุมมงคลก่อนที่เราจะแยกย้ายไปตั้งจิตนิฐานไม่มีใครรู้รื่อธิษฐานเรื่องอะไรนะแล้วกราบพุทธโธธรรมโมสังโฆเสร็จแล้วนะนิพพานังข้าไปเจา้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์หวังพระนิพพานหลวงปู่ลาท่านสอนหลวพอ่ออย่างนั้นนะแต่ไม่เป็นเนนนะเป็นพระนะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และไม่ใช่กราบปลกๆเฉยๆนะ กราบพระตั้งจิตอธิษฐานข้าพเจ้ากราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อหวังประนิพพานจากนั้นเราก็ตั้งจิตอธิษฐานเอาเถอะในพรรษานี้เมื่อได้ยินหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วข้าพเจ้าก็ใช่ฉลาดใจจริงๆไม่เคยทํามาเลยในพรรษานี้ข้าพเจ้าตั้งจิตอธิษฐานน่ะคํานี้นะเหมือนกับเป็นภาษาพระนะแต่ตามมตจิตตั้งจิตอธิษฐานคือความตั้งใจมั่นในพรรษานี้ ข้าพเจ้าจะไหวพระทุกวันไม่ให้ขาดก่อนนอนอารังสีสมาสัมปุมโทโธพระกวาสวาขาโตพระกวตาตมโมสุปฏิปโนพระพกวัโตสาวกสังโกณโมตสะพระกวัโตอราโตสั ม, มาสัมพุทธัสสะจากนั้นก็แผ่เมตตาในใจอีกข้าพเจ้าจงเป็นสุขผู้อื่นจงเป็นสุขข้าพเจ้าต้องการความสุขอย่างไรผู้อื่นสัตว์อื่นวิญญาณอื่นทุกวิญญาณ ทุกดวงใจขอให้มีความสุขอย่างที่ข้าพเจ้าต้องการอย่างที่ข้าพเจ้าปรารถนาทุกท่าน<ม>ด้วยเทินเพียงแค่นี้ก็พอนะก็ไม่ถึง5้านาทีที่เราไหว้พระนะอันนี้ก็เป็นเครื่องทางด้านจิตใจแล้วเราจะไหว้พระให้มากกว่านั้นก็ไหนที่เปโสรภควาลังสัมมาสัมพุทโธ ห, หรือสวยดยอดพักกันเลวเสวตพระหงอะไรก็ได้สุดแท้แต่นะผู้ที่สวดได้นะ แต่ข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันสวดมนต์ทุกวันไม่ให้ขาดแล้วก็ตื่นมาก่อนที่จะไปทํางานแล้วก็นั่งขึ้นมาที่หลับที่นอนเราก็ไหว้พระเอกอรหังสวากาโตสุปฏิปัโนนาโมตัสสะแล้วก็แผ่เมตตาซะก่อนจากนั้นก็ไปทําการทํางานนี่แหละคือพุทธบริษัทเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าถ้าเราเห็นดูซิอย่างศาสนาอื่น เขาทำอะไรทำพิธีท้งละหมาดวันหนึ่งตั้งหลายครั้งแต่นี่เรากราบไหว้พระเช้ากับเย็นยังไม่ได้เรายังถือว่าเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าอย่างไม่สมบูรณนะ์ลงพอว่านะเพราะนั้นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งและในพรรษานี้มากกว่านั้นเอกถือบางคนก็นตั้งจิตอธิษฐ า, านอีกข้าพเจ้าจงงดบุหรี่ให้เด็ดขาดในพรรษานี้และข้าพเจ้าจงงดสุราดึกงดดมดืมดมด่มเหล้าของเมินเมา ไม่ว่าสุราไม่ว่าเบียร์ล่ะงดทั้งหมดทุกขัญชายาฝิ่นเฮลื่นอะไรที่เข้าพระเจ้าจังติดๆข้างๆอยู่ข้าพระเจ้าจึงงดทั้งหมดข้าพระเจ้าจะรักษาศินห้าในพรรษานี้ทุกวันพระนะหรือรักษาโบรสุ ท, ทุกวันพระรักษาศินแปดนะหรือรักษาศินห้าตลอดไตรมาตสามเดือนอย่างนี้เป็นต้นหรือข้าพระเจ้าจะใส่บาตรทุกวันไม่ให้ขาดอ ในพรรษานี้คือเราตั้งใจแต่บางคนกว่าที่หลวงพ่อแนะนำหลวงพ่อว่าหลวงพ่อไปแนะนําทางกรุงเทพแล้หลวงพ่อบอกว่ า, วาการใส่บาตรทุกวันเราบางทีบางบางคนกับพระไม่ผ่านหน้าบ้านก็มีแล้วก็นอนตื่นสายก็มีมีหลายๆอย่างเราไม่พร้อมเอาเถอะเราจะทําบุญใส่บาตรทุกวันในพรรษาเราก็ตั้งกระปุกขึ้นมากระปุกหมูหมากาไก่แล้วก็เขียนไว้เลยนี เราจะใส่บาตรที่ไหนใส่บาตรวัดปา่าบ้านตาดหลวงตามหาพัววัดโพี่สมพรที่ไห น, นที่รักเคารพนับถือเลื่อมใสนะแต่ข้อสําคัญขอบอกไว้เลยไม่ใช่ใส่บาตใส่บาตรวัดนาคําน้อยนะเดี๋ยวก็จะหาวัดหลวงพ่อนี่แ น, นะนำมาหามหาตัวเองนะไม่ต้องนะเรานับถือเลื่อมใสวัดไหนแต่เรามาตั้งจิตอธิษฐานอยู่นี่วัด พระพุทธอุดมมงคลเนี่ยที่นั่งต่อหน้าของเราเนี่ยจากนั้นเราก็เราวันนี้เราจะใส่วาดอะไรใส่กล้วยน้ำว้าใบเงนกี่บาทเราจะใส่กี่องค์เราจะใส่ห้าองค์เราจะใส่กี่องค์เราก็รู้แล้วกล้วยน้งว้าราคาเท่าไหร่ก็หย่อนลงไปวันนี้เราจะใส่นม แต่ใส่แต่กวนน้ำว้าตลอดไปแับมันพระท่านก็คงจะสันกวยน้ำว้าตลอดไปไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมละ่ะแต่เราก็ยังจะกินข้าวตงขนมอย่างอื่นใช่ไหมละ่ะเ อ, อเราจะให้ทั้พระแต่ฉันแต่กวนน้ำว้ากับข้าวเหนียวอย่างเดียวขนมเสียงหายอย่างเดียวก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ <app ren> เพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องแบ่งกันเออเ อ, อ, เ อ, อวันนี้เราจะใส่นมวันนี้เราจะใส่ก๋วยเตี๋ยวนะวันนี้เราจะใส่ขนมเค้กนก็ว่ากันไปเป็นวันวันใช่ไหมละ่ะ อย่างวันสำคัญวันพระเนี่ยเออเาเราจะถวายเป็นพิเศษเนี่ยเรก็ใส่บาทลงไปแต่ออกพรรษาแล้วแต่เนี่ยมีเงินเท่าไหร่เราก็เอาปัจจัยนั้นะไปถวายวัดที่เราตั้งใจตั้งความปรารถนาไว้นั น, ะ น, ะนะไปถวายวัดท่านเอออันนี้เงินพวกกับผมครอบครัวของกับผมได้ใส่บาทในพรรษานยครับผมประคุณท่านนย น่น่าล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลถ้าว่าพวกเราไฟในการสร้างบุญสร้างกุศลนะถ้าว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจกับวันวันคืนเดือนปีผ่านไปผ่านไปผ่านไ ป, นไปก็ไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเอาเอถอะท่นี่ถึงข้าพเจ้าจะไม่นับถือเลื่อมใสวัดไม่รู้จะไปถาไวายวัดไหนเอาเถอะเราครอบครัวของเราพ่อแม่ลูกหลานของเรานี่ยตั้งตู้ขึ้นมาตู้นึง ก็ย้อนลงไปในตู้นะั้นลูกหลานนะผู้ใดมีความไม่สบายใจทุกใหญ่เรื่องอะไรปรารถนาอะไรเนี่ยออกมาทำบุญในตู้นี้นะเออจากนั้นเมื่อเรามีงานบวชอย่างนี้นะวัดป่าเาเออวันนี้ไปเราไปทาบุญงานบวชวัดป่านาคาน้อยเราก็เปิดตู้นั้มาเอาวันนี้เราจะถวายวัดนี้กี่ร้อยสองร้อยสามร้อยอวันพรุ่งนี้เออวัดโพธิสมพรเขาบวชนะ แล้วก็เปิดตู้ไปทําบุญอีกอันนั้นเป็นว่าเป็นการทําบุญในตระกูลในครอบครัวของเราการล้วนแล้วจะเป็นการปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานไวเ้เพื่อจะให้ลูกหลานเป็นผู้มีจิตใจกว้างขวางมีจิตใจที่เป็นกุศล น, นี่แหะพ่อแม่ปู่ย่าตายายน่าจะแนะนำสั่งสอนลูกหลานอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าสั่งสอนให้เก็บอย่างเดียวขิดตนีทีเหนียวอย่างเดียวนะ ไม่รู้จักแบ่งปันใครแต่พอเขาใช้เขาใช้อลุยชุยแชกนะแต่พอจะแบ่งให้พอ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเท่านั้นแหละโอ้ยเขาขี้นีทีเหนียวปากนั้นมาพอ่อจากพ่อใหญ่ขึ้นมาก็แย่งทรัพย์สมบัติของพ่อแม่อีกต่างหากเพราะพ่อแม่สอนให้เป็นผู้ขี้นีทีเหนียวไม่เป็นผู้มีเป็นผู้มีเสียสละนะเพราะฉะนั้นพ่อแม่ของเราปู่ย่าตายายเนะี่ยควรจะสั่งสอนลูกหลานไม่ถึงจิบพายหรอกแล้วเขาทําความ เรใช้ใจช่วยลุยช่ลยลอย่างอื่นทั้งมีทั้งเยอะแยะไปนะอันนี้คือปลูกฝังอุปนิสัยของลูกของหลานให้เป็นคนมีศีลมีธรรมให้มีคนเป็นผู้เสียสละต่อชุมชนต่อสังคมต่อพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเรานั่นแหละถ้าคนอยู่ด้วยกันมีการเสียสละต่อการมีน้ําใจต่อกันอยู่ด้วยกันมากมายก็มีแต่ความร่มเย็นผาสุกนะ้าลูกหลานนะ นี่แหละอันนี้ก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลในพรรษาแล้วข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทีนี่เออนั่งสมาธิเนี่ยโดยมากพอคิดว่าหลวงพ่อแนะนําว่าเรื่องนั่งสมาธิเท่านั้นแหละเออพวกเราเนี่โคตหูเข้ามาแล้วเหมือนจูงหมาใส่ฝนเลยเออเพราะว่าไม่ใจไม่สูนะ้เรื่องนั่งสมาธิแต่ตามไม่จริงเป็นหน้าที่นะลูกหลานนะเออนั่งสมาธิก็ไม่มีอะไรพวกเรา ก่อนจะหลับนอนเรากวไหวพระเสร็จแล้วนะหาหมุมสงบซะล้วก็เป็นนั่งภาวนา5นาทีก็ได้สิบนาที20นาทีนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธดูใจของตนเองนะทำให้จิตใจของเราเนื่องจิตใจเราสบายในขณะที่นั่งภาวนาปล่อยวางทั้งหมดนะไม่ถือโทษโกรธเคืองกับใครเรื่อง อ, อารมณ์ต่างๆที่มันมีอยู่ในใจปล่อยวางหมดให้อยู่กับพุโทโธนั่นนะพุโทโธพุโทโธพุโทโธนะ เออหนาที10นาทีนั่นแหละเป็นการพักผ่อนทางด้านจิตใจนะีจิตใจของเราไม่ปุง๋งไม่ฟุง้งไม่ซ่านจิตใจจะมีความสุขนะอันนี้เราจะภาวนาเป็นชั่วโมงหรือ20นาที30นาทีก็สุดแท้แต่นะแต่ควรจะมีในพรรษาเอาเถอะข้าพเจ้าทําอย่างอื่นไม่ได้ข้าพเจ้าจะนั่งภาวนาอันนี้ก็ล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสําหรับพวกศรัทธาญาติโยมลูกหลานนะแต่ถ้าว่าพวกเรา รักษาศีลไม่ได้มันมีภาระหรือเราไหว้พระไม่ได้มันขาดไปเมื่อวานนี้พอเราตื่นมาแต่เช้าวันล่งขึ้นมาอีกเราเบิ้ลสองท่นี่เราไหว้พระทั้งสองครั้งทําไมมันขาดเมื่อวานน่ยเราทําอีกวันนี้สองครั้งถ้ามันขาดสวันทําต่อกันถึงสาครั้งอีกอาลาหังสวาสขาโตสุปฏิีโนกกาบใช่แล้วกัอาลหังใหม่อีกเอาทั้งสามครั้งนี่นแหละอันนี้คล้ายๆความไม่ให้มัน ไม่ให้มันหล่นไม่ให้มันขาดเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานอย่างนั้นนะพอจบออกพรรษาแล้วนะเออเราตั้งจิตอธิษฐานตรงไหนวัดไหนนะเราก็ไปไหว้พระตบพระพุทธปฏิมาเนะี่ยอย่างพระประธานนะในเมื่อเราตั้งจิตอธิษฐานวันนี้นะวันออกพรรษาแล้วก็มาตั้งจิตอธิษฐานอีกวันเออผู้ข้าได้บำเพ็ญที่ตั้งจิตอธิษฐานในวันเข้าพรรษาในวันนั้น แต่วันนี้ข้าพเจ้าได้ทําไม่ขาดตกบกพร่องบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญด้วยความยากลําบากด้วความตั้งใจของข้าพเจ้าไม่ให้ขาดตกบกพร่องบุญกุศลนั้นขอให้เป็นพระเป็นปัจจัยเกื้อกูลหนุนข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขกายสุขใจในชีวิตของข้าพเจ้าจะได้มีความจะได้มีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตขอให้ราบรื่น ขอให้มีความสุขกายสุขใจตลอดไปตลอดถึงผู้เกี่ยวข้องเราก็ตั้งความปรารถนาอะไรไห อ, อแต่ปรารถนาะอย่าไปปรานะปรถนาเบียดเบีย น, ยนตนและผู้อื่นนะปรารถนาะหาบุญหากุโสก็สู่จิตใจ น, ะนี่แหละในเมื่อเราทำดีแล้วเราก็ตั้งความปรารถนาะแล้วก็นี่แหละเมื่อเราทำความดีแล้ว เ, เราก็ ขอบุญกุศลที่เราได้ทําความดีนั้นนะเข้ามาสู่จิตชูใจของพวกเรานะทําดีซะก่อนเราจึงขอพรนะทําดีซะก่อนแล้วจึงขอพรนะไม่ใช่ว่าปูบ ป, ปับมาไปหากราบพระก้าวัด ต, นะตัวเองก็ไม่ได้ทําความดีอะไรเลยพรนั้นนนั้จะประสิทธิ์ประสิทธให้กับเราได้อย่างไรเนพะราะนั้นขอให้พวกลูกหลานคณะศรัทธทาญาติโยมเนอ ที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังนะเป็นแนวความคิดแนวหนึ่งสุดแท้แต่พวกเราจะนำไปประพฤติปฏิบัติอย่างไรถ้าพวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติแล้วหลวงพ่อมั่นใจว่าพวกเราจะได้รับความสุขใจสุขกายสุขใจในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานะต่อเ น, นี้ไปหลวงพ่อจะกับพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอหนะ้าเมื่อรับพรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่นแหละเข้าไปข้างใน พวกเราจะได้ทําพิธีการบวชพระอยู่ข้างในละวันนี้คงจะใช้เวลาพอช่งควรละวันนี้เพราะนาคของเราก็มีตั้งสิบสิบนาควันนี้รับพรอุทิศสวนกุศลเ น, นาะพวกเราได้มาถวายพัตหารแล้วก็จะได้บวชนาคแล้วกัอุทิศสวนกุศลต่อผู้มีอุปกรณคุณคือปู่ย่าตายายของพวกเราแล้วก็ช่วงที่บวชนาคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ อาธารชวนนี่นนะจะเป็นการประสงค์จะอนุโมธนาอีกรอบหนึ่งเพวกเราจะได้อุทิศส่วนกุศลต่ อ, เ, อเลือดเนื้อเชื้อไขของพวกเราคือปู่ย่าตายายของพวกเราที่ลูกหลานได้บวชไว้ในพระพุทธศาสนานะ